มีเรื่องเล่าว่าชายตาบอดคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านแล้วก็คุยกันออกรถออกชาตินะจนจนมืดคำ่ำเมื่อถึงเวลาชายตาบอดก็จะกลับบ้านแล้วบ้านก็อยู่ไม่ไกลเจ้าของบ้านก็ ยืน่นโคมโคมกระดาษให้ใคล้ายๆโคมที่อาตมาใช้เนี่ยคุณตาบอกก็ว่าเอามาให้ทําไมฉันไม่จําเป็นต้องใช้เจ้าของบ้านก็บอกว่าก็คุณไม่ต้องการใช้โคมก็จริงแต่ว่าคนอื่นเขาที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็จะได้เห็นเขาจะได้ไม่มาเดินชนคุณเงี้ยแหละ แกก็เลยเดินถือโคมไปเดินไปพักใจก็มีคนมาเดินชนแกเดินชนคนตาบอดนะนะคนตาบอดก็เดินชนจนล้มเลยนะแกก็เลยบวยวายขึ้นมาว่าไม่มีตาหรือไงนะไม่เห็นหรือว่าฉันไม่เห็นหรือว่าฉันจุดโคมอยู่ คนที่มาเดินชมก็บอกว่าไอ้โคมคุณนะมันดับไปต้องนานแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆที่เขาไม่ได้เล่าเพื่อให้เราฟังเพลินๆอย่างเดียวนะแต่มันมันมีคติธรรมที่แฝงเอาไว้ฮะเขาเหมือนกับตั้งใจตั้งใจที่จะบอกว่าคนเราเนี่ยบางครั้ง ก็ไม่ต่างจากคนตาบอดก็คือว่าเราคิดถึงตัวเองเอาคนตาบอดเขาไม่ต้องการโคมไฟก็พราะเขาไม่จาเป็นนะแต่ว่าเจ้าของบ้านก็ให้ถือว่าไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อคนอื่นนะแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ต้องการสอนว่า คนส่วนใหญ่เวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็มักจะโทษคนอื่นอย่างชายตาบอดนี่ก็ไปโทษว่าไม่มีตาหรือไงเดินมาชนได้แต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าที่จริงให้โคมที่ตัวงถือมันดับไปนานแล้วคือไม่ได้มองมาที่ตัวเองคนเราก็เป็นอย่างนี้นะก็คือว่าเวลามีอะไรก็โทษคนอื่น แต่ไม่ค่อยได้ย้อนมาดูตัวเองว่าความผิดพลาดา จ, จะเกิดที่ตัวเองก็ได้ในเช้าวันนี้เขาพูดเหมือนกับว่าถ้าใครที่คิดแบบนี้มองแบบนี้คือมองว่ามองไปทมองโดยการโทษคนอื่นตลอดเวลาโดยที่ไม่มองหันมาดูตัวเองเลยก็ไม่ต่างจากคนตาบอดนะฟังแล้วก็เก็บเอาไปคิดดูนะว่า คนเราเนี่ยควรจะนึกถึงคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันก็หันมาย้อนมองตนอยู่เสมอเวลามีปัญหาก็อย่าพึ่งเพ่งโทษใครอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นต้องย้อนกลับมาดูตัวเองแต่ในเราเดียวกันเราก็ควรจะมีน้ำใจนะเผื่อแพ้แก่คนอื่นเสมอ ของบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นปต้องใช้แต่ว่าเราก็ามีไวนะ้เพื่อคนอื่นไม่ใช่บอกว่าฉันไม่ต้องการแล้วเอาไปทำไมฉันไม่ต้องการใช้โคมแต่ว่าถ้าเรานึกถึงคนอื่นนะมันก็จะช่วยเขาไดนะ้อันนี้มันก็เป็นประโยชน์สำหรับนักปฏิบัติ ด, ด้วย นักปฏิบัติเราเวลาเรามองตนเนี่ยเราก็อย่าลืมอย่ามองตนจนลืมคนอื่นนะมีนักปฏิบัติจํานวนมากก็พยายามที่จะมามองตนนะพยายามที่จะแก้ทุกข์ให้ตัวเองมาเพื่อต้องการทําให้ตัวเองมีความสุข แต่ว่าบางครั้งก็สนใจตัวเองมากเกินไปจนลืมนึกถึงคนอื่นนะก็มีคำพูดให้ได้ยินอยู่เสมอว่านักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยก็เห็นแก่ตัวนะเพราะว่าคิดถึงแต่ตัวเองอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามองตน มากเกินไปจนลืมนึกถึงคนอื่นอย่าให้ตกอยู่ในกับดักอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะตรงข้ามาคือว่านึกถึงคนอื่นจนลืมตนนะหรือจนไม่มีตนมันต้องกลับกันนะไม่ใช่นึกถึงตนเองจนลืมคนอื่นหรือว่าเอาแต่มองตนจนลืมคนอื่นแต่มันตรงต้องตรงข้ามาคือว่า นึกถึงคนอื่นจนลืมตนหรือไม่มีตนที่ภูหลงเนี่ยมันจะมีภาษิจเขียนเป็นภาษาจีนแต่ว่าได้มาจากญี่ปุ่นนะเคยไปไปงานฉลองของนิกายหนึ่งที่ตั้งมาได้พัน0กว่าปีเมื่อสักสีห้าปีก่อนแล้วเขาก็ให้ ให้แผ่นแผ่นเป็นข้อความภาษาจีนเขียนสวยทีเดีย ว, ยวก็ถามเขาว่าแปลว่าอะไรเขาก็บอกว่าเป็นภาศิทธิ์หรือเป็นคติพจน์ของครูอาจารย์เขาที่นั่ น, น, นก็คือว่าแปลงสั้นๆว่าลืมตนแต่นึกถึงมหาชน ลืมตนให้ลึกถึงมหาชนจริงนะจริงการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมาถึงจุดนี้นะมาถึงจุดนี้ก็คือว่าจิตใจเปิดกว้างคิดถึงผู้อื่นนะจนกระทั่งลืมตนหรือไม่มีตนเลยนะถ้าทำางนี้ได้นี่เลยว่ามีกรุณามีเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ร่อมมหากรุณา ที่จริงแล้วมันพอเราปฏิบัติจนกระทั่งตัวตนมันเล็กลงหรือจนกระทั่งไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวตนเนี่ยใจก็จะมีเมตตาเปิดกว้างเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสัตว์กับสรรพสิ่งด้วยซ้ำความรู้สึกนั้นเนี่ยจะไม่มีเส้นแบ่งระหว่างฉันกับผู้อื่นอีกต่อไป จะมีความรู้สึกว่าท่าที่ประกอบขึ้นมาเป็นสังขารนี้กับท่าที่ประกอบกันเป็นธรรมชาติก็คืออันเดียวกันมีความเสมอเหมือนกันนะมีพระเถรีท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านตั้งจิตอธิษฐานว่าก็ไม่เชื่เป็นอธิษฐานแต่ว่าเป็นการลำพึงเรียกว่าเถรีคาถา นะเทิกถฐานี้ก็เป็นเรื่องคำรำพึงของพระเทระและพระเทรีก่อ น, ก, อนก่อนบรรลุ ธ, ธรรมบ้างหรือว่าหลังจากบรรลุ ธ, ธรรมบางทีก็เป็นธรรมอุทานขึ้นมาก็มีท่านหนึ่งพระเทรีท่านหนึ่งซึ่งต่อมาได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็บอกว่าเมื่อใดหนอนะอธรรมชาติภายใน จ ะ, จะเห็นว่าธรรมชาติภายในมีความสำคัญเสมอธรรมชาติภายนอกก็หมายความว่าขันทั้ง5ที่ประกอบกันขึ้นมาเ ป, นเป็นรูปนีเปน้เป็นชีวิตนี้เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันเสมอกัน ก, กับขันที่อยู่รอบตัวเราแต่มนุษย์ที่ยังมีอวิชชาอยู่ก็จะยังเห็นว่ามีการแบ่งว่า เป็นฉันเป็นมันหรือเป็นฉันเป็นเธอก็คือมองว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างที่พูดกันแล้วเอาไว้เมื่อวันก่อนเรื่องปัจจเวนะมนุษย์ที่ยังมีอวิชาอยู่ยังติดสมมุติก็จะยังมองว่ามันมีฉันและเธอมันมีฉันกับสิ่งอื่นแล้วก็มักจะคิดว่าฉันเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งอื่นฉันนี่สาคัญกว่าคนอื่น แต่คนที่ปฏิบัติธรรมจนเกิดปัญญาถึงขั้นที่เรียกว่าเหนือสมมุติเข้าถึงปรมาท ธ, ธรรมก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ก็สักวัฏธาตุสิ่งทั้งปวงนี้ก็สักวัฏธาตุมันไม่มีความเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นฉันเป็นบุคคลอีกต่อไปสลายเรียกว่าสลายสมมุติ ก็จะเห็นว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันธรรมชาติภายในกับธรรมชาติภายนอกนี่คือลักษณะหรือสภาวะของผู้ที่บรรลุธรรมพระเถรีท่านนี้ท่านก็รู้ว่าเมื่อการปฏิบัติธรรมถึงขั้นก็จะสามารถเกิดปัญญาลายเห็นตรงนี้ท่านก็เลยลำพงึงขึ้นมาว่าเมื่อใดน้อนะจึะงจะเห็นธรรมชาติภายในเสมอกับธรรมชาติภายนอก ก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีความสำคัญบัรหมายว่าเป็นฉันเป็นเธอเป็นฉันเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมในใจที่เปิดกว้างใจที่มีใจที่เกิดปัญญายาณอย่างถึงพร้อมนะก็จะเปิดกว้างเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งไม่ใช่แค่เฉพาะสรรพสัตว์อย่างเดียว มีคนยังก็พูดไว้ดีว่าเมื่อใดที่ฉันมองเข้ามาตัวเองและไม่เห็นอะไรเลยนั่นเรียกว่าปัญญาเมื่อใดที่ฉันมองไปข้างนอกและเห็นว่าทุกอย่างก็คือฉันนั่นคือกรุณาเป็นคำเป็นข้อความที่ให้ความหมายเกี่ยวกับปัญญาและกรุณาได้อย่างชัดเจนกระชับมาก เมื่อมองเข้ามาภายในไม่เห็นอะไรเลยก็คือไม่มีตัวฉันก็เกิดนั่นแหละเป็นผลจากปัญญาที่สามารถจะละซึ่งอัตวาตุปาทป า, านหรือความยุติสําคัญหมายในตัวตนได้มองมามองภายในเข้ามาไม่เห็นตัวฉันมองไปข้างนอกเห็นทุกอย่างนั่นก็คือฉันหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับฉันไม่ได้มีเส้นแบ่งกันเลย อันนี้คือกรุณาอย่างที่พรุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยมหากรุณาเนี่ยคือความมีกรุณาไม่มีประมาณไม่มีการแบ่งแยกไม่มีฉันไม่มีเธอนี่คือมหากรุณาซึ่งเป็นองค์คุณประการหนึ่งของพระพุทธองค์พระพุทธองค์นี่มีองค์คุณใหญ่ๆอยู่สองประการที่เราพุทธคุณนะหลักๆเลยคือว่ามหาปัญญาและมหากรุณา ตอนหลังก็เพิ่มมาเป็นสาก็คื อ, อวิสุทธิคุณปัญญาคุณกรุณาคุณและวิสุทธิคุณนะอันนี้คือพุทธคุณหลักๆเดี๋ยวนี้เวลาเราได้ยินคาว่าพุทธคุณเนี่ยเราก็มักจะได้ยินในแวดวงพระเครื่องพระเครื่องบอกว่าเนี่ยพระพิมพ์นี้มีพุทธคุณพุทธคุณคือแล้วก็คือป้องกันอันตรายได้หรือว่ามีอำนาจ อำนาจจิตนะมีพลังอันนั้นไม่ใช่พุทธคุณที่แท้พุทนธะคุณที่แท้คือปัญญาคุณกรุณาคุณและวิสุทธิคุณหรือว่าย่อมาเป็นสองคือปัญญาคุณและกรุณาคุณนะอย่างที่เราสวนทุกเช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งเนี่ยมันก็ก็คือไม่มีตนหรือว่าหมดตนนะที่จริงมันหมายความว่าไม่มีความยึดติดถือมา่ในตัวตน มันตรงข้ามกับนักปฏิบัติจํานวนมากที่มองตนจนลืมคนอื่นนะแต่ปฏิบัติจริงมันต้องมองตนจนไม่เห็นตนมองตนจนไม่มีตนแล้วก็คำหนึงถึงมหาชนสรรพสัตวร์ส ร, รพชีวิตนี่คือลักษณะของการปฏิบัติเนี่เราก็ต้องพิจารณาดูว่าเออเราปฏิบัติไปปฏิบัติไป เราเอาแต่หมกบุ่นในตนเองหรือเปล่านะถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยตัวตนต้องเล็กลงจนกระทั่งไม่ไม่สนใจตัวตนเลยด้วยซ้ำนะท่านโดเก็นนี่เป็นเป็นพระที่มีชื่อมากในญี่ปุ่นนะท่านเคยพูดไว้ข้อความนี้ก็เป็นเป็นอมาตะมากบอกว่ า, วา การศึกษาตนก็คือการลืมตนการลืมตนก็คือก็คือการที่บรรลุบรรลุบรบรลุแจ้งรหรือบรธธรลุรมเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งนะยิ่งศึกษาตนยิ่งมองตนก็ยิ่งไม่เห็นตนนะถ้ามันตรงมันแปลกดีนะยิ่งมองตนเท่าไหร่ถ้ามองตนไปลึกๆก็ไม่เห็นตนเนีส่วนใหญ่ถ้ามองตนไปแล้วเนี่ยความเห็นกับตัวภาคภูมิ เพิ่มพูดมากคือ น, นี่มันแสดงว่าผิดแ ล, ะละ้วล่ะถ้ามองตนไปมองไปลึกๆ ก, ก็จะเห็นว่าไม่มีตนที่จริงเวลาเราเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยมันถ้าเราถ้าเรามีเจริญทมถูกวิธีก็คือเจริญสติใช้สติดูมันก็จะเห็นว่าไอ้รูปที่ไอ้ที่เคลื่อนหว น, นี่คือรูปไอ้ที่คิดนึกนี่คือใจ กายเคลื่อนไหวใจคิดนึกมันไม่มีฉันนะมันไม่มีฉันเป็นผู้เดินไม่มีฉันเป็นผู้คิดมันมีแต่รูปที่เดินมันมีแต่ใจที่คิดฉันนี่มันหายไปเลยนะหลวงพ่อคำเขียนใชกว่าทลุงย่อยทนะหลุงย่อยคือกระจายออกไปจากเดิมคนธรรมดาก็เห็นเป็นตัวกูตัวกูตัวฉันแต่ว่าพอเรามองเราตามรู้ กายเวทนาจิตธรรมนั่นก็คือการเจริญสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่มันก็จะไม่มีตัวกูแล้วละมันก็เห็นมันก็จะซอยย่อยมาเป็นเป็นรูปและนามปิดกายกับใจนี่ถ้ามองตนถูกธีมันก็ไม่มีตนให้เห็นนะเพราะว่าตนนี่มันก็เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาด้วยความยึดติด ถ, ถือมัน่นนะะเมื่อการมองแบบนี้เนี่ยนั้น มันก็จะมองตนก็ไม่เห็นตนมองตนก็ไม่มีตนนะมันก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนกับสวนทางกันไห้มองตนแต่ทำไมกลายเป็นไม่เห็นตนก็เพราะว่ามองตนก็คือการมองความจริงของกายและใจเมื่อมองความจริงของกายและใจหรือมองกายและใจตามที่เป็นจรงิงมันก็ไม่มีตัวตนเพราะตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมา แล้วก็มันก็มาครองใจเราของที่มันไม่มีจริงเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็มีอิทธิพลนะเหมือนกับเราอยู่ในในกุฏิคนเดียวกลางค่ำกลางคืนแล้วก็ปรุงแต่งว่ามีผีมีผีอยู่ข้างนอกหรือว่ามีผีอยู่ในในในบ้านในกุฏิเนี่ยผีไม่มีจริงแต่เราปรุงขึ้นมาแต่พอปรุงขึ้นมาแล้วเราเองก็กลัว กลัวอะไรกลัวสิ่งที่เราปรุงขึ้นมากลัวความคิดนี่แหละแล้วนะคนเรานี่ไปอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่กับความไม่จริงซะเยอะนะบางทีเราก็นึกว่าหรือเราแวงว่าคนนั่นเขาไม่จริงใจกับเราคู่ครองกําลังนอกใจเราเพื่อนกําลังโกงเราอันนี้อาจจะเป็นเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาแต่พอปรุงขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ย มองอะไรผิดพาลาดคลาดเคลื่อนไปนหมดเช่นทําให้เราเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจนะสิ่งที่ปรุงนั้นก็คือใจเราปรุงใจเราเป็นผู้ปรุง เ, รเป็ น, ปปนแต่พอพอปรุงมาแล้วไอ้สิ่งที่ปรุงนั่นแหละมันก็มาครอบงามเราอันนี้เรียกว่า <ų> ก็ตรงกับที่ที่เขาบอกว่าเนี่ย เราเป็นทาญาติของกรรมเรามีกรรมเป็นทายาทเรามีกรรมเป็นเผาพันธ์เราเป็นทายาทของกรรมเราเป็นทายาทของกรรมคือว่าเนี่ยพอเราปรุงพอเราปรุงอะไรขึ้นมาเราก็ตกอยู่ในอิทธิพลของสิ่งที่เราปรุงปรุงว่ามีผีปรุงว่ามีคนร้ายปรุงว่ามีคนมาจ้องทําร้ายเราเราก็กลัว ความกลัวนี้ก็แสดงว่าเราเป็นทายาทของกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือสิ่งที่คือการปรุงแต่งแต่ในรายเดียวกันกรรมนั้นเนี่ยก็เป็นทายาทของเราด้วยเรามีกรรมเป็นเผาพันก็คือว่ากรรมเนี่ยคือทายาทของเราหมายความว่าเราก็เป็นผู้สร้างกรรมขึ้นมาและกรรมนั้นก็มาสร้างเราอีกทีหนึ่งนะเราสร้างกรรมกรรมสร้างเราอันนี้มันเป็นความจริงที่ต้องเข้าใจ เหมือนกับอาหารอาหารนี่เรากินเข้าไปอาหารนี่เราเป็นคนเลือกเองว่าจะกินจะกินอะไรทีแรกเราเป็นคนเลือกอาหารเราปรุงอาหารด้วยซ้ําเราปรุงอาหารกับมือเลยแต่พอเรากินอาหารอาหารนั้นก็ไปปรุงเราอีกทีหนึ่งนะเช่นถ้าเป็นอาหารที่ดีก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงถ้าเป็นอาหารที่ไม่ดีมันก็ทําให้ร่างกายเราแย่อาหารนี่มันปรุงเราแล้วทีแรกเราปรุงอาหาร นะหรือว่าเราเลือกกินอาหารบางอย่างพอกินเข้าไปมากๆเนี่ยเราก็เป็นโรคนะภาษาฝรั่งเขามีคำว่า you are what you eat นะคือกินอะไรก็เป็นอย่างนั้นที่แรกเรากินที่แรกเราเราเป็นฝ่ายเลือกว่าจะกินอะไรแต่พอเรากินเข้าไปแล้วไอ้สิ่งที่เรากินนั่นแหละที่จะเข้าไป ปรุงแต่งตัวเรานี่นี่คือธรรมชาติที่จงไม่ต้องอาหารหรอกกินเหล้าเข้าไปทีแรกเรากินเหล้าต่อไปเหล้าก็กินเรามันก็มาครอบงาเราให้ทําอะไรแปลกๆทําอะไรพิสดารนะนี่เรียกว่าเหล้ามันกินเราเข้าไปแล้วงั้นเรา มีกรรมเป็นทายาทแล้วก็เราก็เป็นทายาทของกรรมไปพร้อมๆกนันด้วยเห็นนี้เองเนี่ยการการที่เราทำความดีให้ทารักษาศีลและเจริญภาวนาถึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเมื่อเราทำเมื่อเราทำความดีแล้วเนี่ยความดีนั้นก็จะย้อนกลับมาปรุงแต่ง ชีวิตของเราทั้งกายและใจเช่นถ้าเราให้ทานบ่อยๆทานนั้นก็จะมาทำให้เรามีจิตใจที่สงบอ่อนโยนมีเมตตากรุณาหรือว่าถ้าเราจเจริญภาวนาบ่อยๆทีแรกเราก็สร้างสติต่อไปสติก็สร้างเราทีแรกเรารักษาสติต่อไปสติก็รักษาเรา เวลาเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาสติก็สามารถช่วยให้เราปลอดภัยได้มีคนหนึ่งเขาไลฟ์ฟังเขาขับรถบนทางด่วนอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะแต่ว่าก็บรรยากาศก็คงคล้ายๆกันขับรถบนทางด่วนแล่นด้วยความเร็วสูงสักพักเขาก็เห็น มันมีรถจอดอยู่กันเป็นแพรเลยเขาก็เลยชะลอเขาก็เลยแตะเบรคชะลอแต่พอเ้ามองไปที่กระจกหลังเนี่ยเห็นรถคันข้างหลังเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วไม่มีทีท่าว่าจะชะลอเลยผู้หญิงคนนี้เขาก็รู้แล้วว่ากลังจะเกิดอะไรขึ้นคือเขากำลังจะถูกอัดก๊อปปีนะ้รถข้างหลังมาแรงมากข้างหน้าก็ กล้จะถึงกล้จะไปชิดรถข้างหน้าอยู่แล้วตอนนั้นรู้เลย ว, ว่ากำลังจะถูกอัดก็อปปี้ก็รู้เลย ว, ว่าตายแน่ในระหว่างนั้นเองก็มามาสังเกตว่ามือของตัวนี้กำพวงมาไหลไแ้ลลไแน่นเลยกำพวงมดไหลไ้แน่นเกรงเลยเธอก็ได้คิดว่าฉันฉันก็เกรงอย่างนี้มานานแล้ว ถ้าจะตายเขาตายแบบสบายๆดีกว่าจะไม่จะไม่เกรงจะไม่เครียดแบบนี้แล้วเครียดมาทั้งชีวิตแล้วจะตายก็ขอตายด้วยด้วยความสึกเบาสบายก็เลยปล่อยมือแล้วก็หลับตาแล้วก็ตามลมหายใจแล้วก็รถคันหลังก็ทนเข้ามาดังส น, นั่นโครมกลักว่าไม่ตาย รถพังยับเยินทั้งข้างหน้าข้างหลังตำรวจนี่ต้องมาดึงออกมาจากรถตำรวจบอกว่านี่โอ้โหร อ, อ, อดสัจรย์มากหน้าที่รอดตายมาได้พอดูสภาพแล้วไม่น่าจะรอดแล้วก็พอพู้หญงคนนี้เขาเล่าว่าเขาว่าเขาทำอะไรบ้างในระหว่างที่รถจะชนตำรวจก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณเกรงนะถ้าคุณเกรง คุณก็คงตายไปแล้วเพราะว่าจะต้องรับแรงกระแทกอย่างแรงัแต่นี่คุณผ่อนคลายนะให้แรงที่กระแทกก็เลยมันก็เลยเหมือนกับต้นต้นไผ่พอเจริลมมันเย็ไปแรงก็เลยไม่มาไ ม, ไม่ไม่มาปะทะ ต, ตรงตรงก็เลยแค่ฟกช้ำนิดหน่อยอันนี้เราเป็นเข้อมีสตินะข้อมีสติแล้วเขาก็ถึงเวลาเขาปล่อยวาง พอปล่อยวางแล้วใจก็สงบแล้วก็ทําให้รอดตายด้วยอันนี้เรียกว่าสติรักษาเราทีแรกเรารักษาสติต่อมาสติรักษาเราในในสาการอีกคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยก็จะรักก็จะอยู่ในสภาพที่เรากลัวรักตัวกลัวตายรักตัวกลัวตายมันก็บอกอยู่แล้วว่าที่กลัวตายเพราะรักตัว คนที่รักตัวคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันก็จะกลัวตายและเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะยอมรับความตายและก็จะขัดขืนที่หล่นและถ้าเกิดอยู่ในสภาวะเช่นนั้นอย่างที่ผูผ้หญิงคนนี้เจอก็คงจะแทนที่จะรอดก็กลายเป็นตายนะให้การปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติให้ให้เราเนี่ยได้ ได้ได้เข้าถึงสภาวะที่มันรู้เท่าทันตัวเองจนกระทั่งเราสามารถที่จะเป็นอิสระจ่ายความยึดติดถือมั่นนะในในในตัวตนให้ได้นะที่จริงการเจริญสะติเนี่ยถ้าถ้าถ้ามีสะติเนี่ยในสภาวะที่มีสะติเนี่ยให้ความ การปรุงเป็นตัวตวนเกิดขึ้นไม่ได้นะตัวตนมันเกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีสติตั้งแต่ในขั้นที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะหรือว่าพอเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วมีเวทนาตามมาและไม่มีสติมันก็จะปรุงเป็น ปรุงตัวตนขึ้นมาเป็นเจ้าของเวทนานั้นเช่นปวดแทนที่จะเห็นความปวดก็เป็นผู้ปวดนะแล้วพอปวดแล้วเนี่ยมันก็จะมีตันหาตามมาคืออยากจะผลักออกไปไอ้ความอยากจะผลักออกไปนี่ก็มันก็จะปรุงขึ้นมันก็จะถ้าไม่มีสติเข้าไปถ้าไม่มีสติรู้ตันหานั้นก็จะมันก็จะปรุงเป็นตัวตนว่าฉันอยากจะผลักมันออกไปมันมีความรู้สึกเป็นตัวฉันอยากจะผลักออกไป นีมันก็จะปรุงเป็นอุปทานเป็นภพชาติในกระบวนการที่เกิดผัสสะแล้วก็เวทนาตัณหาอุปทานเนี่ยมันถ้าไม่มีสติในระหว่างกลางมันก็จะปรุงเป็นตัวฉันขึ้นมาในแต่ละช่วงแต่ละช่วงจงกนกระทั่งเกิดเป็นตัวฉันเต็มรูปในขั้นที่เขาเรียก ว, ว่าชาติาชาติ ชาตินี้ไม่ได้แปลว่าประเทศชาติแต่หมายถึงการเกิดหรือเกิดความรู้สึกเป็นตัวฉันขึ้นมานะอย่างเต็มรูปนะในในภาพปฏิจจของทิเบตเนี่ยเขาจะแสดงออกด้วยการเป็นการคลอดออกมาตอนที่เป็นภพเนี่ยมันอยู่ในท้องแต่พอคลอดออกมาเนี่ยเรียกว่าชาติ แต่ชาติในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเกิดจากท้องแม่แต่หมายถึงเกิดเกิดการปรุงขึ้นมาว่าเป็นตัวฉันอย่างเต็มรูปนะแต่ที่จริงมันเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ขั้นผัสสะแล้วละ่ะอย่างเช่นเวลาได้ยินเนี่ยแทนที่จะได้ยินเฉยเมัทนมีความรู้สึกว่าฉันได้ยินเวลามีเวทนาแทนที่จะเห็นความปวดก็ความมีความรู้สึกขึ้นมาว่าฉันเป็นผู้ปวดฉันปวดฉันปวด ฉันอยากได้ฉันอยากได้กด็ตันหานะตรง น, นี้ที่ต้องมีสติเข้ามากํากับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทได้ย้ำเลยนะว่าสติมันเป็นอุบายในการสลายตัวตนได้ พาหิยะเนี่ยเป็นเป็นนักบวชที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เป็นชีเปลือยต่อมาเพื่อนซึ่งไปซึ่งเป็นเทวดาก็มาบอกว่าท่านไม่ใช่อรหันต์นะเพื่อนในภพก่อนนะบอกท่านไม่ใช่อรหันต์นะพระอรหันต์ที่แท้นี่อยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็คือพระพุทธเจ้าพายิยะก็เลย เกิดสำนึกขึ้นมายอมรับว่าฉันไม่ใช่อัตราลหันก็เลยพยายามที่จะดันตนไปหาพระพุทธเจ้าเดินเป็นวันวั น, วนเป็นคืนคืนระยะทางหลายร้อยโยชน์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยไฟแรงมากไปถึงสาวัถีตอนที่พระเจ้ากำลังเสด็จบิณฑบาตไปถึงก็ทูลขอให้พระเจ้าแสดงธรรมพระองค์ก็ปฏิเสธ พภิยะก็ขอถึงสามครั้งในที่สุดพระงก็แสดงธรรมอาจจะเป็นเพราะรู้ว่าพภาิยะก็เริ่มสงบแล้วที่แรกเนี่ยก็คือกระหอบไฟแรงอยากจะฟังธรรมถ้าไฟแรงยั่งบางทีฟังธรรมไม่รู้เรื่องนะต้องให้ใจสงบก่อนจิตเป็นกุศลพร้อมน้อมรับธรรมะพระองค์ ก, ก็เลยตรัสว่านเนี่ยเมื่อตาเห็นเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็น เมือ่อเมื่อได้ฟังก็สักแต่ว่าได้ยินนะเมื่อรู้สึกรู้สึกในทิศอันนี้หมายถึงว่าทั้งได้กลิ่นนะแล้วก็ได้สัมผัสด้วยแล้วก็ได้ลิ้มรส ด, ด้วยก็สักแต่ว่ารู้สึกเมื่อรู้แจ้งในอารมณ์ก็สักแต่ว่ารู้แจ้งในอารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีไม่มีทั้งในภพนี้และในภพหน้าและระหว่างภพทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ พอตัดเช่นนี้พะยิจายก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยได้ชื่อว่เป็นพระอรหันต์ที่รู้ธรรมเร็วมากนะพอรู้ธรรมเป็นพระอรหรันต์ก็ตัดสินใจออกบวชแต่ไม่ทันจะไปไม่ทันจะไปหาบริการครบก็ถูกวัวขิดตายตายโดยที่ยังไม่ทันได้ออกบวชแต่ว่าได้เป็นพระอรหันต์แล้วอัที่พระองค์สอนพะิจายสั้นๆเนี่ยสาคัญมากคือว่าเมื่อเห็นศัก์แต่ว่าเห็นเมื่อ ได้ฟังก็สักวะวันได้ยินเมื่อฟังก็สักตะวันได้ยินเมื่อรู้สึกก็สักตะวันรู้สึกเมื่อรู้แจ้งในอารมณ์ก็สักตะวันรู้แจ้งอารมณ์เมืม่อนั้นตัวเธอจะไม่มีก็คือพอมีสตินะตั้งแต่ในขั้นผัสสะนี่ก็มันก็ไม่มีตัวตนให้เกิดขึ้นแล้วแล้วถ้าทําแรงต่อเนื่องเช้นนี้ก็ก็สามารถที่จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้พระองค์ก็ตัดชนนี้กับ ขามคนนะชื่อมาลุงกยบุตรบอกว่าแก่แล้วข้าพระเจ้าแกแล้วขอให้พระองค์แสดงธรรมสั้นๆพระองค์ก็แสดงธรรมคล้ายๆทํานองนีนะ้เพราะว่าเป็นธรรมที่รวมหัวข้อสําคัญไว้ได้โดยเพราะเรื่องการเจริญสติที่สามารถจะทําลายหรือสลายตัว ต, วตนได้นะการปฏิบัตินี้ถ้าเราเจริญสติอย่างถูกต้องมันก็ โดยการตามเหตุตามรู้กายใจหรือการมองตนอย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็ไม่มีตนนะเมื่อไม่มีตนไม่มีความเห็นแก่ตัวก็จะนึกถึงคนอื่นได้มากขึ้นนะมีเมตตากรุณาอย่างมากมันไปด้วยกันนะแต่ถ้ามองตนไม่ถูกนะมันก็จะเกิดความเห็นแก่ตัวอัตตาพอกพูนกลายเป็นว่ามองตนแล้วก็ลืมคนอื่น นะแต่ถ้ามองตอนดีมันก็ไม่มีตนแล้วก็จะเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นได้กว้างขวางอันนี้ก็ฝากเอาไว้น ะ, ะคำนี้ก็พูดกับท่านนี้